จะทราบได้อย่างไรว่าหมุนมองระดับตกตามร้ายแรงเกินเยีวยวๆหรือไม่เมื่อหงุดหงิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆถามตัวเองว่ารู้ตัวได้เร็วแค่ไหนหนึ่งไม่ทันแสดงอากับกิริยาออกมาพอเริ่มมีความรำคาญกรุ่นขึ้นจะทราบชัดและความหงุดหงิดก็จางลง เปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งได้ง่ายๆหรืออย่างน้อยก็หันไปสนใจสิ่งที่ควรทําเฉพาะหน้าโดยปราศจากความเก็บกด 2. แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏแต่ก็ระ ง, งับลงได้ในเวลาต่อมาโดยปราศจากความรู้สึกทึบแน่นหรือเก็บกด 3. แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏ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 หากจิตเราถูกอบรมจนกระทั่งอยู่ในสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไร้สาระได้เมื่อไรเมื่อนั้นใจของเราจะเข้าข่ายข้อแรกแต่ถ้าไม่อบรมจิตเสียบ้างเลยก็มักตกไปอยู่ในข่ายข้อสุดท้ายแต่ละข้อถือเป็นขีดระดับความน่าจะเป็นว่าจิตมีทางไปอันดีหรือร้ายอยู่ในตัวเองผู้มีความปลอดโปร่งไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เสมอเสมอ จะอุ่นใจกับตนเองว่าเราเป็นผู้ไม่มีความเศร้าหมองครอบงำโดยง่ายถ้าว่าผู้มีความอึดอัดยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยากอาจต้องกังวลว่าเราจะเป็นผู้มีความเศร้าหมองในขณะแห่งมรณาการหรือไม่การสังเกตตนเองด้วยหลักวัดคร่าวๆทั้งสี่ข้อ ข, ข, ข, ข้างตน้นวันต่อวันจะช่วยให้เราทราบด้วยตนเองว่า